อายตนะไม่ใช่อารมณ์การเข้ากระแสแต่ละครั้งเนี่ยหมายถึงว่าจิตของเราเข้าถึงจุดจุดหนึ่งแม้จะมีอารมณ์เกิดดับให้ปรากฏเห็นอยู่แต่จิตไม่ได้วันไหวต่ออารมณ์นั้นเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมไม่มีอคติลำเอียงว่าอะไรดีอะไรเสียเพราะฉะนั้น เมื่อเรามองเห็นธรรมะตามความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเสียมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางกลางทั้งนั้นที่ท่านว่าอายตนะภายในหกตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นอายตนะภายในที่เรียกว่าอายตนะก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับติดต่อกับโลกภายนอกสิ่งที่เรามองเห็นและสัมผัสรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ธรรมอารมณ์ท่านว่าอารมณ์แต่ความจริงมันไม่ใช่อารมณ์มันเป็นเพียงเหตุปัใจจัยให้เกิดอารมณ์อารมณ์คือความยินดีความยินร้ายพอใจไม่พอใจอันเนี้เรียกว่าอารมณ์หลวงพ่อไปได้ความชัดจากการอ่านหนั ง, หนงสือเรื่องหนึ่งหนังสือเริงรวมที่เขาขายให้กันอ่านเนี่ยอ่านไปก็สนุกไปสนุกไปพอไปถึงจุดจุดหนึ่ง ไอ้เจ้าสาวมันไปหลงเจ้าหนุ่มมันก็ยอมมอบกายถวายชีวิตให้เจ้าหนุ่มทุกอย่างเสร็จแล้วมันไปย่อยยุให้เกิดอารมณ์เจ้าหนุ่มบอกว่าอย่ามายุ่งเวลาเนี้ยฉันยังไม่มีอารมณ์จึงไปได้ความว่าอ้อไอ้ตัวเจ้าสาวเนี่ยมันมาย่อยุเจ้าบ่าวมันก็คือรูปแล้วก็คือเสียงมันมารุกรา้าวแต่เจ้าหนุ่มมันบอกว่าอย่ามายุ่งฉันยังไม่มีอารมณ์ เพราะเขายังไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กันก็เลยมาได้ความว่าอ่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์มันไม่ใช่อารมณ์เป็นแต่เพียงเหตุปัใจจัยให้เกิดอารมณ์